จุดสำคัญที่หลวงพ่อพยายามเน้นนะก็คือเรื่องการภาวนาวัตถุวัด น, นี้เรื่องทำบุญทำทานทำที่ไหนก็มีให้ทำแย่ๆไปจนไม่มีสตังค์อย่าทำอย่างน้ำท่วมนะเห็นหน่วยงานที่รับบริจาคนเะยอะมากเลยเราก็ไม่รู้จะเอาบริจาคที่ไหนไปเข้าใช้พัฒนาอนะไรนี่ทำไปที่เดียววตวัด น, นี้คนเข้าวัดนะเจอ การที่อะไรเยอะแยะไปหมดเเจอพิธีกรรมมากมายพิธีกรรมมันก็ดีมีประโยชน์สำหรับคนที่อินทรีย์อ่อนทำให้มีกำลังใจแต่สำหรับคนซึ่งเติบโตแล้วลงมือเจริญสติดีที่สุดเลยขาดสติอันเดียวก็ขาดธรรมะแล้วล่ะสติเป็นของสำคัญมาก พระพุทธเจ้าท่านย้ำนะธรรมะที่มีอุปการะมากมีสองอันสติกับสัมปชัญญะสติเป็นสภาวธรรมเป็นเครื่องมือของจิตในการรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้อย่างนี้เป็นสติที่ดีสติรู้รูปรู้นามเป็นสติที่ใช้เจริญปัญญาและเจริญปัญญาไม่ได้ นิพพานมีนะแต่มากผลเราไม่มีจิจิตเราก็เลยไม่เห็นนิพพานแค่ต้องมีสติให้มากสติเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจนี้เป็นสติที่เป็นการทํำวิปัสสนาถ้าสติรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปเขาเรียกสาธารณกุศลทุวันนี้สาธารณกุศลเยอะ สติรู้อารมณ์ทั่วไปมันก็พาเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีได้เท่านั้นแหละคํามภพข้าชาติไม่ได้ยังหลงอยู่ในความปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงอาเนญชาพิสังขารปรุงว่างบ้างปรุงว่างก็อาศัยมีสติเป็นเครื่องมือเหมือนกันให้จิตจับไปอยู่กับความว่างจิตจับอยู่กับจิตเพ่งความว่างก็เป็นอากาสารัญจยตนะเพ่งจิต เป็นวิญญาณันใจยตนะก็อาศัยสตินะแต่สติอย่างนี้เป็นสติเพื่ออยู่กับโลกปรุงธรรมะสภาวธรรมนี่สังขารที่เรียกว่าอาเนชชาพิสังขารรองลงมาก็สติอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากอะไรนี้จิตที่เป็นกุศลนะอยากช่วยเหลือคนอื่นนะก็อนุโลมมาเพราะว่ามีสติเหมือนกันเป็นสติโลกโลกเป็นสาธารณกุศล เห็นพระพุทธรูปเราปลื้มใจก็มีถือว่ามีสติเหมือนกันแต่ว่าไม่พ้นทุกข์หรอกจะพ้นทุกข์ได้จริงๆเรสติต้องรู้รูปรู้นามต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้ได้รู้กายรู้ใจสติรู้กายรู้ใจถึงเป็นของสำคัญที่สุดเลยส่วนตัวสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นทำให้เรารู้จักจำแนกแยกแยะ ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอย่างในโลกนี้สิ่งที่มีสาระมีน้อยสิ่งไม่มีสาระมีเยอะแยะเลยขอไม่มีสาระเต็มไปหมดแล้วใจเราสนใจแต่เรื่องไม่มีสาระเราทิ้งสิ่งที่มีสาระเราก็ห่างไกลตอมรรคผลนิพพานเราต้องมีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระ พอมีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรมีสาระแล้วอะไรไม่มีสาระแล้วเนี่ยก็มีปัญญาลึกซึ้งขึ้นไปอีกสรรพชัญญาเลยมีหลายตัวมีสี่ตัวอันแรกรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระทัดจากนั้นในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์อย่างพวกเราเนี่ยำอาหารกินของเราปกติอะไรเงี้ยดาราศาสตร์อะไรเงี้นะก็มีสาระของเขา แต่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราตอนนี้เราไม่รู้ดาราศาสตร์เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยมันเป็นการรู้จักกลั่นกรองนะว่าอะไรเหมาะกับเราในบรรดาของที่มีประโยชน์นะสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆถ้าเราจะข้ามสังสารวัตรศีล ส, สมาธิปัญญามีประโยชน์สมถาวิปัสสนามีประโยชน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันนาความสุขมาให้ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในอนาคต เกิดชาตินี้ไม่จบเพื่ออย่งสะสมนิสัยเวียนว่ายไต่เกิดไปหรืเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทําให้เรามารู้มากผลนิพพานได้เนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์นี่ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นะเราก็ยังมีปัญญาแยกแยะอีกของที่มีประโยชน์ก็ยังมีเยอะจากสิ่งสารพัดสิ่งนะบางอย่างมีสาระบางอย่างไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระนั้นบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์ ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางอย่างเท่านั้นที่สมควรแก่เราหลายๆอย่างไม่ได้สมควรแก่เรายกตัวอย่างอย่างสมถะกรรมฐานมีทั้ง40อย่างความจริงมีมากกว่านั้นในตำราย่อๆไว้มี40อย่างมีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระจุลปัญกะขยี้ผ้าขาวไม่อยู่ในกรรมฐาน40นีขยี้ผ้าขาว เ, เสร็จแล้วจิต ท, ท่านพลิกไป เห็นปฏิกูลนะก็เข้าไปอยู่กรรมฐานสี่สบได้หรือพระองค์หนึ่งนั่งดูดอกบัวนะนั่งดูดอกบัวแดงแลดอกบัวเหียวไปไปนั่งดูดอกบัวไม่อยู่ในกรรมฐานส0สแต่อนุโลมได้ไหมได้เป็นกระสินสีก็ได้ไปดูรูปที่สวยๆดูแลใจมันชอบอนะไรย่างนี ก็อนุลมดึงเท่ากรรมฐาน40สบได้ความจริงแล้วสมถะกรรมฐานนั้นเยอะเยอะแยะเลยใช้อารมณ์สมมติบัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นเพ่งลมหายใจจิตเราเพ่งลมหายใจนิ่งๆอยู่ก็เป็นสมถะจิตเราไปเพ่งท้องผองยุบ่อเป็นสมถะนั้นเดินจงกรมเราเพ่งอยู่ที่เท้าก็เป็นสมถะขยับมือทําจังหวะเราเพ่งใส่มือก็เป็นสมถะ การรู้รูปนามนะก็เป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียนให้ดีนะบางคนโมเมคิดว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกอย่างนั่งเพ่งลมหายใจเพ่งไปด้วยจิตนิ่งๆได้สมถะนี่เราก็ต้องรู้นะอย่างสมถะนี้มีตั้งเยอะแยะเลยเป็นมีสิ่งมีประโยชน์เท่านั้นเลยแต่อันไหนสมควรแก่เราอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะ ทำสมถะโดยการใช้ลมหายใจงั้นลมหายใจสมควรกับหลวงพ่ออาจจะไม่สมควรกับพวกเรางั้นอาณาปณสติสมควรกับหลวงพ่อนี่มันเป็นการรู้จักเลือกรู้จักเลือกนะคัดสิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์กับเราออกไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระบางอย่างเท่านั้นมีประโยชน์ในสิ่งที่มีประโยชน์บางอย่างเท่านั้นสมควรกับเรา อย่างการเจริญวิปั ส, สนานะทำได้ตั้งเยอะแยะใช้สมาธินำปัญญาก็มีใช้ปัญญานำสมาธิก็มีใช้สมาธิกับปัญญาควบกันก็มนะีฐานก็มีได้ตั้งสี่ฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมมีตั้งเยอะแยะงั้นะทำวิปั ส, สนาเรก็ทำได้เยอะแยะวิปั ส, สนาภูมิคืออารมณ์ของวิปั ส, สนาก็มีเยอะแยะนะ จะดูเป็นขันก็ได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยว่าเป็นขันก็ได้เป็นาธาตุก็ได้เป็นอายตนะก็ได้เป็นอินทรีย์ก็ได้เป็นอินทรีย์22ตัวเป็นปฏิจจสมุปาท12ก็ได้เป็นอริยสัจมองในมุมของอริยสัจสี่ก็ได้เนะงี้ยเวลาแยกแยะนะแยกแยะได้ตั้งหลากหลายในวิปัสสนาภูมิ แต่ว่าไม่ว่าจะแยกแยะแบบไหนนะย่อลงมาเหลือรูปกับนามทั้งหมดเลยเหลือแค่นั้นเองเหลือรูปกับนามวิชาก็เป็นนามใช่ไหมสังขารเป็นนามวิญญาณเป็นนามนามรูปมีทั้งรูปทั้งนามพอมีนามรูปก็มีอายตนะอายตนะมีทั้งรูปทั้งนามผัสสะเป็นนามเวทนาตัณหาอุปาทานพบเป็นนามชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะ ได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะงั้นเอวเข้าจริงนะมีแต่รูปธรรมนามารำยกเว้นอันหนึ่งอริยสัตจนะอริยสัตว์ตัวทุกข์ก็คือตัวรูปนามตัวสมุ ท, ทยัยตัวตัณหาเป็นนามตัวนิโรดนั้นพ้นจากรูปนามตัวนี้พ้นไปนะงั้นเอวเข้าจริงนะก็มีแต่รู ป, ปรนามแต่แยกแยะออกไปได้หลายหลายอะไรเขาเรียกอะไร หลายมิติหลายแง่หลา ย, ลา ย, ายมุมแล้วแต่ใครถนัดเนี่ยจะทำวิปัสสนานะมีวิธนะีตั้งเยอะแยะเห็นไหมตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะจะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ปัญญานำสมาธิก็ได้สมาธิกับปัญญาควบกันก็ได้นะจะดูกายเป็นหลักไว้ก็ได้นะจะเอาเวทนาจะเอาจิตเอาธรรมเป็นวิหารธรรมก็ได้นะจะดูในแง่มุมของขัน5ก็ได้ในมุมของอายตนะ6 นะในมุมของธาตุ8ในมุมของอินรีย์22ในมุมปฏิจจสมบัท12ในมุมของอริยสัจว์่ก็ทำได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่อะไรสมควรแก่เราไม่ใช่ทุกคนต้องทำวิปัสสนาทุกชนิดไม่ใช่ทุกคนต้องทำสมถะทุกชนิดนะและแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันทางอีสานเมื่อก่อนนะ คุณแม่น้อยเคยท่องให้หลวงพ่อฟังมันเป็นพญาหรือพญาหรือพยาเลย ไ, ไม่รู้เป็นกรอนโบราณของอีสานเป็นสุภาษิตต่างๆอ่สอนบอกว่าคนหลายคนกินน้าบอ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเดินทางเดียวก็คือเดินอยู่ในเส้นทางของอริยมรรคซึ่งมีหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เหยียบรอยกันเพราะวิธีการนียหลากหลาย งั้นถ้าเราไปเห็นคนซึ่งทําสมถตาต่างจากเราหรือคนที่ทํำวิปัสนาแตกต่างจากเราอย่าไปคิดว่าเขาทําผิดนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อทําสมถตาด้วยอานาปนสติหลวงพ่อไม่ได้สอนลูกศิษย์ทุกคนให้ทําอนาปนสติหลวงพ่อทํำวิปัสนาโดยการดูจิตเป็นหลักดูนามมาทําเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ทุกคนให้ดูนามมาทําอย่างเดียวนะ แต่ละคนนั้นมีทางเฉพาะตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านรอบรู้ท่านรู้เลยว่าคนไหนควรจะใช้กรรมฐานอะไรจะทำสมถะด้วยวิธีไหนจะทำวิปัสสนาด้วยวิธีไหนท่านรู้งั้นท่านบอกเราไม่พลาดความรู้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกไม่มีภูมิธรรมอันนี้ที่จะรู้ว่าใครจะต้องภาวนาแบบไหน ภาษาวอกอันดับหนึ่งคือภาษาริบุตรก็ยังไม่รู้เลยนะสิบุตรภาษาริบุตรเคยให้กรรมฐานลูกศิษย์ที่ไม่เหมาะกับจริตลูกศิษย์ถ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นช่างทองเป็นหนุ่มด้วยนะเป็นช่างทองด้วยอาชีพก็ประณีตสวยงามท่านก็คิดพิจารณาท่านดูแล้วละ่ะคนนี้มีจริตนิสัยเป็นราคะจริตกรรมฐานที่จะเหมาะกับพวกราคะจริตในการทําสมถะนะคือพิจารณาสุภา มันข่มราคะโดยตรงเลยท่านสอนลูกศิษย์ท่านพิญนาสุภระปรากฏว่าทําไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ตามตํารานะพวกราคาจริตต้องทำสมถะก็ใช้อสุภะแต่คนนี้เกลียดอสุภาษมากเลยเห็นแล้วขยกะกขยแยงนะใจไม่สงบเพราะเคล็ดลับของการทําสมถะนะจิตต้องมีความสุของ์นี้พอเห็นอสุภาษณ์แล้วนักนะขยกะกขแยงไม่มีความสุขเลยจิตไม่สงบเลยนะ ถึงขนาดที่จะสึกดันทีไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ดอกบัวไปดอกหนึ่งสวยงามดอกบัวแดงให้ไปปักที่ทรายนะอย่าไปใส่น้ำนะปักที่ทรายท่านดูไปเรื่อยดอกบัวเหี่ยวลงไปเห็นอะไรเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นชราเห็นความคล่าคล่าเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นไหมใจสลดลงมานะเห็นของไม่สวยไม่งามสลดลงมาแนละ้วเห็นไหมท่านรู้จักเลือก ภาษาที่บุตรนั้นรุนแรงไปสุดท้ายก็มาดูด้วยปฏิคูณด้วยสุภาเนี่ยด้วยอะไรอย่างนี้นะั่นแหละใจลงลงให้นี้พอเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ขาดให้เรานะสิ่งที่เราจะช่วยเราได้มากการที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ให้เราเรียกว่าเราขาดกัลยาณมิตรสิ่งที่จะเสริมกัลยาณมิตรได้นะมีอันเดียวเท่านั้นคือโยนิโสมนสิการ พระเจ้าเคยแสดงทําไว้นะว่ากาลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของอริยมรรคแต่บางคราวท่านก็แสดงว่าโยนิโสมนานสิการเป็นทั้งหมดเลยของอริยมรรคท่านบอกว่าแสงอาทิตย์แสงอรุณแสงเงินแสงทองรู้จักไหมคนกรุงเทพไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่แสงไฟแสงเงินแสงทองเนี่ยเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กําลังหมา น, นี่พูดภาษาสมัยใหม่นะถ้าภาษาในคำพีบอก แสงอรุณเป็นบุพภณิมิตแห่งดวงอาทิตย์ฉันใดฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแหละแสงขาวๆแสงเงินแสงทองแสงสีขาวขึ้นก่อนเห็นไแล้วแสงทองแสงสีสีแดงค่อยขึ้นมาพระอาทิตย์จะโผล่แล้วก็มีแสงขึ้นมาก่อนบอกแสงเงินแสงทองเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายว่าพระอาทิตย์กลังจะมา กัญญานามิตรก็เป็นเครื่องหมายว่าอริยมรรค ก, กําลังจะมาท่านสอนอีกที่หนึ่งท่านก็สอนบอกว่าโยนิโสมานสิการเป็นเครื่องหมายว่าอริยอริยมรรคกำลังจะมานะงั้นจริงๆถูกทั้งคู่นะท่านเป็นธรรมราชาท่านสอนคนนี้ท่านสอนแบบนี้ท่านสอนคนนี้ท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนได้แล้วถูกของท่านทั้งหมดเลยพวกเราไม่มีกัญญาณมิตรระดับพระพุทธเจ้านะเราเหลือแต่พระธรรมที่ท่านให้เป็น ตัวแทนของพระศาสดาแลเราก็มาศึกษาว่าท่านสอนอะไรแล้วมาลองช่วยตัวเองอาศัยการที่ฟังธรรมะนะได้ฟังธรรมะที่พระเจ้าสอนสืบทอดกันมาหรืออ่านพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใช้สติปัญญาใช้ความเฉลียวฉลาดของเรามาตรึกตรองดูว่าอะไรที่สมควรกับเราจริงๆรงนะิอย่างหลวงพ่ออย่างบุญนะหลวงพ่อพี่เจอครูบาอาจารย์ซึ่งอัศ จ, จรรย์ อัศจรรย์มากคือหลวงปู่ดุลไม่มีองค์อื่นเหมือนเลยไม่เคยเจอเองค์ที่สองเลยนะหรือยมีชื่อเสียงกว่าหลวงปู่ดุลก็ไม่เหมือนหลวงปู่ดุลหรอกเพราะในความจริงไม่เคยมีองค์ไหนเหมือนองค์ไหนหรอกนะหลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ยานทัศนะเนี่ยไกลท่านสร้างบารมีมามากนะกว่าสาวกทั่วๆไปแต่ท่านเลิกท่านมุ่งเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า อนนี้ใส่เนี่ยไม่พูดหรอกเงียบๆไม่สอนไม่พูดนะโยเวนเจอคนที่สมควรสอนอันนี้เราทําให้หลวงพ่อนึกเฉลียวใจขึ้นมาว่าทําไมพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าไม่สอนธรรมะชีจริงก็คือไม่เจอคนที่คู่ควรจะสอนอะไะถ้าเจอนะท่านก็คงแย็บเยบให้บ้างนะแต่คงไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรอกหลวงพ่อหัดภอนาแต่เด็กนะแล้วก็หายใจได้ยินครูบาอาจารย์ อื่นๆนะท่านพูดเรื่องการพิจารณากายลองพิจารณากายแล้วจิตไม่เอารู้สึกจืดชืดรู้สึกไม่สนใจจิตไม่ไปเจะอหลวงปู่ดุลนไปกราบท่านครั้งแรก6กุมภา2525 25กี่ปีละ29ปีมั้ง29ปีมาแลไปกราบท่านนนบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่เงียบนะหลวงปู่หลับตาไปเลย ท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะออกมานั่งหน้ากุฏิเข้าไปกราบท่านบอกอยากภาวนาท่านได้ยินว่าอยากภาวนาท่านนั่งหลับตาหลับตาไปเกือบชั่วโมงเราก็นึกหลวงปู่อายุเยอะและ้วเกือบร้อยปีแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วคงหลับไปแล้วละ่ะความจริงท่านไม่หลับหรอกท่านทําอะไรเราไม่รู้เกินภูมิของเราท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนเลย การปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอันนี้คำสอนคีย์เวิร์ดของท่านคืออ่านจิตตนเองในสิ่งที่ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนลงอื่นก็ไม่เหมือนกันนะบางคนจิตออกนอกท่านก็บอกประคองจิตเอาไว้ก่อนประคองจิตให้นิ่งให้ว่างพวกนี้ชอบออกนอก บางทีชอบเล่นศิลศาสตร์เล่นอะไรเนี่ยท่านให้ดึงจิตเข้ามาอย่าออกไปนอกไปยุ่งกับคนอื่นบางคนท่านก็สอนให้ดูกระดูกมีนะบางคนท่านก็ให้พิจารณาผมให้พิจารณาผมเส้นเดียวจะได้สมถะให้จิตรวมเป็นจิตรวมแล้วค่อยมาเดินปัญญาต่อท่านสอนหลากหลายมากเลยท่าวสอนแต่ละคนไม่มีเหมือนกันเลยแล้วคําไหนคํานั้นคือถ้าท่านสอนเรามาแบบนี้เราไปทําแบบอื่นนะไม่ได้ผลจริงอะ่ะ ยากเหยียนแสนเข็นไม่ได้ผลอนนี้ลูกศิษย์ท่านจะรู้ดีเลยเรื่องนี้ท่านสอนหลวงพ่อให้อ่านจิตตนเองคําที่ท่านให้ใช้นะคืออ่านท่านไม่ได้บอกให้ไปดูจิตให้ไปใดนะท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่หลวงพ่อก็ไรเดียงสามากเลยท่านบอกให้อ่านจิตตนเองไม่รู้จะอ่านยังไงไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงด้วยซ้ําไปรู้แต่ว่าจิตอยู่ในร่างกายเนี่ย ก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะศึกษานะไม่เกินกายออกไปอันนี้เป็นกฎของการปฏิบัตินะถ้าเราจะทํำวิปัสสนาจริงนะในทางทฤษฎีบอกให้ดูรูปนามรูปนามภายในรูปนามภายนอกรวนแต่แสดงใจลับแต่ในทางปฏิบัติจริงให้ดูรูปนามภายในเนี่พระสารีบุตรเขาเคยย้าบอกให้เรียนรู้ทำภายในไม่ใช่ทําภายนอกเรียนรู้ทำภายนอกแนละ้วเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นกูงันะ้นเข้ามาเลยกูอยู่ที่ไหนละ่ะ กายนี้เป็นของกูเป็นตัวกูจิตนี้เป็นตัวกูดูเข้ามาตรงที่มันเป็นกูนั่นแหละดูลงมาในกายดูลงมาในใจไม่เกินกายออกไปเนี่ยฟังหลวงปู่ปุ๊บนะในใจกำหนดสโคบของการศึกษาไม่เกินกายเราจะเรียนรู้อยู่ไม่เกินกายออกไปแล้วก็เที่ยวแยกขันนะอยากดูว่าจิตมาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในผมไหมดูไปที่ผม เ e. ห็ right. นผมเป็นของถูกรู้ถูกดูเลยนะจิตไม่มีไม่มีจิตในผมในขนเล็บฟันหนังด้วยเอ็นกระดูกนะจากศีรษะถึงเท้าเท้าถึงศีรษะไล่ขึ้นไล่ลงไล่อยู่นานหลายรอบนะไม่พบว่าอวิวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นจิตเลยไม่ได้พบว่าจิตตั้งอยู่ในอวิวะส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยเป็นเรื่องประหลาดนะเที่ยวหามันไม่เจอแต่ตรงนี้หลวงพ่อกําลังทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้ว นั่นคือการหัดแยกรูปนามนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่เริ่มต้นในการเดินปัญญาเนี่ยรู้เลยไม่เกินกายออกไปเสร็จแล้วแยกรูปนามนะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติล้วนๆเลยนะเราเดินถูกร่องอนะ่ะมันถึงไปได้ถ้าเดินผิดร่องมันไม่ไปหรอกอย่างออกนอกไปไปดูข้างนอกไปไม่รอดหรอกนะจิตต้องถึงฐานจริงๆนะแล้วก็ต้องมาแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์เดินปัญญาไม่ได้นะ มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังฟังแล้วก็ดีใจนะบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์กรรมฐานที่โน้นที่นี่นะเริ่มพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันธนะ์แล้ก็แสดงว่าได้ผลนะตามวัดเยอะแยะเลยบอกเริ่มพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้ก็พอมีหวังบ้างเนาะมีหวังว่าศาสนาจะอยู่รอดนะเอาแต่นิง่งเอาแต่เพ่งเอาแต่สงบให้นั้นมันรัตที่หรือสีชีไพรแล้วนะ ความสงบทําไปนะไม่ใช่ไม่ทําแต่ทําเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพนะอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแยกธาตุแยกขันทําไม่หลวงพ่อไปแยกธาตุแยกขันออกหนะลวงพ่อทําสมถะมาตั้งแต่เด็กทํำนะอนาปนาสตนะิจิตมันเป็นผู้รู้อยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าเนี่ยครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตผู้รู้แล้วไม่รู้ว่าจะใช้จิตผู้รู้ไปทํำอะไรรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่อย่างนีนี่พอหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะก็เที่ยวค้นคว้าจิตอยู่ในกายหาหาจิตแล้วพบว่ากายไม่ใช่จิตหรือว่าจิตคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ค้นคว้าลงในเวทนาเขาพบว่าเวทนาไม่ใช่จิตหรือว่าจิตคือความคิดมันไล่มาเรื่อยๆนะ จิตคือความคิดหรือเปล่าก็จงใจคิดนะพุทโธสุดๆโธกรุณามหันตโวคิดบทส่วนมนแทนที่จะคิดสเปสสปะแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดสเปสสปะแล้วฟุ้งซ่านนะคิดบทส่วนมนงั้นถ้าพวกเราจะคิดนะคิดพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรไว้ดีกว่าไปคิดสเปสสปะคิดบทส่วนมนหลวงพ่อชอบหมวดส่วนมนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะ พุทโธสูตรสูตรโธครุณามหันตวะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวงมาหันนบเสรจแล้วจิตมันเป็นคนดูขึ้นมานะมันเห็นเลยว่าบทสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความคิดมันคือความคิดนั่นเองทันทีที่รู้ว่าจิตคิดมันเห็นนะบทสวดมนต์นี้เลื้อยขึ้นมานะใช้คําว่าเลื้อยนะตรงกับสภาวะเลยมันเลื้อยพื้ขึ้นมาจากความว่างๆแล้วมันก็สลายตัวไปในความว่าง แต่ในในขนาดจิตซึ่งเราเห็นจิตความคิดเลื้อยขึ้นมาจากความว่างจิตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูปั๊บเลยได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามาสรุปได้ทีหลังนะเห็นทีแรกยังสรุปไม่ได้ข้อสรุปก็คือถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะถ้ารู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นนี่พอจิตรู้ดีดผางออกมาแล้วเออนี้หลวงปู่ให้ดูจิตก็จะดูตัวนี้ แต่ปรากฏว่าพอไปดูมันมันอยู่ไม่ได้นานตัวรู้เนี่ยมันชอบไหลเข้าไปจับอารมณ์พอมันไปจับอารมเราพยายามดึงแนละ้วมันแน่นขึ้นมากลางหน้าอกเลยมันเข้าไปจับก้อนแน่นๆที่กลางหน้าอกอีกหาทางทำลายก้อนนี้นะทุกวิถีทางเลยเพ่งมันระเบิดเปรี่ยนเลยจิตถอดมาเป็นผู้รู้อีกโอดีจังแล้วมาดูเฝ้าตัวนี้ไว้รักษาตัวนี้ไว้สรุปว่าไม่ได้ทําอะไรนะสมเดือนเนี่ยม่วรักษาตัวรู้อย่างเดียวเลย รักษาได้ไปรักษาไปรักษาไปเฮ้ยไอ้นี่มันของเก่าอ่ะตัวเนี้เคยมีมาแต่เด็กละนะแล้วทําอานาปนสติมก็มาที่ตัวนี้อีกและเลยรู้เลยว่าถ้าเราทําสมาธิมาเป็นลําดับนะจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะแล้วก็ได้ตัวผู้รู้มาถ้าเรารู้ว่าจิตคิดนะตัวรู้ก็เกิดขึ้นตัวรู้ลักษณะเดียวกันแต่ความคงทนไม่เท่ากันถ้าทําจากสมาธิมาเนี่ยตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันๆเลยอยู่ได้หลายวันเลยนะ แต่ไม่เกินเจวันก็จะมองมองไปนะแต่ถ้าถ้ารู้ทันจิตคิดนะี่จะได้ตัวรู้แว บ, บหนึ่งแล้วไหลไปคิดรู้อีกแวบบเป็นสมาธิชนิดเดียวกันลักษณะอันเดียวกันแต่อันนี้มันอยู่ชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธนะิส่วนตัวรู้ที่ทรงอยู่ในฌานนะเป็นตัวรู้อยู่ในอัปปนาสมาธิพอถอยออกมานะอยู่ในอุปจาราสมาธิมีตัวรู้เด่นดวงอยู่ตัวเดียวกัน แต่วิธีทำไม่เหมือนกันแล้วคุณภาพไม่เท่ากันความคงทนไม่เท่ากันแต่ตัวรู้ที่รู้ทันในแว็บเดียวนะจิตไหลแวบบแล้วรู้เนี่ยตัวนี้พอแล้วสำหรับจะเป็นพระอรหันตะ์ตัวอื่นทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะทำฉานไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวนี่หลวงพ่อรักษาตัวรู้ไว้เรื่อยนะเสร็จแล้วก็ไปหาหลวงปู่ดูลงกันบ้านท่านหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นละจิตเป็นยังไง หลวงปู่ไม่มีพูดเปลาะนะพูดห้วนๆเสียงท่านใหญ่มากเลยท่านพูดเร็วมากเลยพูดเร็วพูดเบาเสียงท่านต่ามากเสียงท่านห้าวต่าไปส่งกันบ้านท่านนะท่านถามมาแล้วเป็นไงที่ว่าดูจิตได้บอกท่านเลยว่ามันไหลไปรวมกับอารมณ์นะจัดการมันถอยออกมาตั้งเด่นอย่างนี้ละท่านบอกยังไม่ได้ดูจิตเลยยังไม่ได้อ่านจิตเลย มัวแต่แทรกแซงอาการของจิตการที่เราไปประคองไว้นันก็คือเราอยากให้จิตอยู่ในอาการอย่างนี้แหละตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนี้แหละเรายอมไปเราไม่ยอมนะที่จะให้จิตเขาไปกาะอารมณ์เพราะถ้าจิตก็อารมณ์เราพยายามแก้ไขเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้อ่านจิตเราไปแทรกแซงอาการของจิตเราไม่เอาอาการอย่างนี้เราจะเอาอาการอย่างนี้ทำผิดนะไปทำใหม่เลยนึกขึ้นมาได้หลวงปู่ให้อ่าน คำว่าอ่านหนังสืออย่างเราอ่านหนังสือใช่ไหมเราไม่ใช่นักประพันธ์อย่าไปแต่งจิตอ่านหนังสือนั้นหนังสือมีบทรักก็รู้ว่ามีบทรักนะมีบทโกรธก็รู้ว่าโกรธอ่านจิตไปจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตโกรธจิตรักขึ้นมารู้ว่าจิตรักจิตโลภขึ้นมารู้ว่าจิตโลภจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าจิตสงบดูไปดูไปมันเห็นเวทนาด้วยจิตมีความสุครู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุครู้ว่ามีความทุกข์จิตเฉยเฉยรู้ว่าเฉยๆ การที่เราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะแต่เป็นวิธีที่หลวงพ่อใช้นะพวกเราบางคนอาจจะต้องดูกายดูเวทนานะบางคนจะใช้วิธีโนนวิธีนี้ไม่เหมือนกันแต่หลักการแล้วอยู่ในอันเดียวกันก็คือจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูรูปดูนามเขาแสดงใจลักไปไม่ใช่ไปเพ่งรูปเพ่งนามให้นิ่งอย่างหลวงพ่อไปประคองจิตให้นิ่งอยู่นั่นนะ น, นั้นคือการเพ่งนามเพ่งจิตท่านบอกว่าผิดไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดุลบอกว่าผิดแล้วนะปล่อยให้มันทํางานนี่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลก็สอนให้ดูความปรุงแต่งของจิตท่านสอนเลยสเพสังขาราสัพพสัญญาอานิจจาสเพสังขาราสัพพสัญญาณัตตนี่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลดูจิตดูสังขารนี่กับสัญญาหลวงพ่อมาดูตามที่ท่านสอนนะเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งคือเวทนา แดูเวทนาได้อีกตัวมีเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นเองเกิดร่วมกับจิตดูไปพอชำนาญขึ้นนะพบอีกมีอีกตัวหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตนะคือตัวอายตนะจิตต้องเกิดร่วมในอายตนะใดอายตนะหนึ่งจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่เราเห็นจิตเกิดร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเห็นจิตเกิดร่วมกับอายตนะเราจะเห็นว่ามันดับได้ อย่งจิตมีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตเป็นกุศลอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วดับนี่แหละคือการเจริญปัญญานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนให้ดูอ่านจิตตนเองนะท่านใช้คําว่าอ่านแต่หลังเราไปคุ้นท่านพูดกับคนอื่นท่านชอบใช้คำว่าดูเอาแลวเลยคุ้นกับคำว่าดูจิตดูจิต ถ้าเราอ่านจิตไปนะจิตมันมีความสุขมันถึงบทที่มีความสุขแล้วนี่สมหวังพระเอกนางเอกสมหวังมีความสุขและอ่านนิยายเรื่องนี้อ่านไปนะถึงบททุกก็รู้ไปถึงบทโลภ บ, บทโกรธบทหลงรู้ไปถึงบทดีรู้ไปนะให้รู้ไปในที่สุดจะเห็นว่าละครเรื่องนี้ที่จิตแสดงเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างจิตที่มีความสุขก็ต้องมีเหตุ จิตที่มีความทุกข์ก็ต้องมีเหตุนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลต้องมีเหตุทั้งสิ้นเลยนะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับเลยจนะยเห็นจิตนี้เป็นอนิจจังบ้างเห็นจิตนี้เป็นอนัตตาบ้างเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะแล้วภาวนาไปนะทางใครทางมันหรอกแต่ว่าจุดสำคัญเดี่ยวต้องมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นให้ได้ไม่ใช่มีจิตสงบอย่างเดียวนะต้องตั้งมั่น ตรงนี้แหละอาภัพที่สุดเลยเรื่องจิตตั้งมั่นไม่มีใครสอนสอนแต่จิตสงบจิตสงบหรือสีชีพายเขาก็สอนนันต้องฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอ่ะเชิญไปทานข้าวนี่มดเลยครับ